ถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเองต้องสะกดไว้ด้วยสติอด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่แหละชื่อว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายอะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้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 ไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวละมันไม่ใช่มีหลายดวงอ่ะอตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้ดังนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยสตินี่แหละมันยังเข้าไปถึงจิตจนถึงความรู้เนาะ ถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเอถ้ามีแต่จิตเฉยๆไม่มีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้เมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลย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 ทีนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้วปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววันนี้เพราะว่าไปตามอำนาจอำนาจของมันแล้วก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระแล้วคิดไปเรื่อยเปยไปอย่างงั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายในี้บางคนนะ ถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึนกว่าสบายนึกว่าใจทนไม่เป็นอะไรแค่ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันมันไม่ทุกข์ใจจริงแหละไปไปแล้ว่ะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้ว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 มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกต ด, ดูดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิแบบนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นอ่าไม่ได้คมแบบนี้นะมันได้คมจต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะ เราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเบบนี้แล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี้ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจ แ, แรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สําคัญพยายามหายใจให้สบายสบายค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อย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 ในความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากอไม่มีกังวลอะไรจิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลังนุ่นนุ่นนี่นี่อยู่นั่ น, นนี่เมื่อเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้น่ะก็หาความสุขไม่ได้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตออคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกระสินวิธีเพ่งกระสินนี่มันทำได้ยากคนไม่สามารถจริงๆริงทำไม่ได้ต้องเพ่งเอาจริงๆริเพ่งวัดตัวในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาติดใจแล้วก็จึงค่อยน้อม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 S <S <an ct i> นึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซี่โครงก็จะปรากฏนะถือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครงจะจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นอแต่กระดูกซี่โครงกับซี่โครงกับโครงกระดูกนัก่นนหละ มันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษเนี่แบบนี้น ะ, อะเออคนเรานี่เมื่อตายตงเวกจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อนังมังสาในเลือดเนื้ออันไรก็เบื่อเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉะ่นนั้นก็มีสัตว์อื่นมา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 คนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจ า, กกะจายอตัดจากกันพอหมดปุลหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปธรรมบำรุงรูป ก, กายอันนี้ไวแล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้ยช่นไหนแตะจึงไปหลงรักหลงชังนักหนา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 มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามในเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายนั่ น, นในระยะนี้แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะก่าวิปัสสนานี่นะมันจะเกิดวิปัสสูขขึ้นวางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิด ความเห็นเคลื่อนขาดจากความเป็นจริงไปคือวามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปลกต่างๆขึ้นมาเดือยไม่เช่ก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษพอไปเห็นแสงเห็นสี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 ว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี่มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นแหละพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็หายหมดออย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะก็ต้องกําหนดรู้ว่านาำมันทำนี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่พอรูปนี้มันแตกสลายลงนะ้ำมันทำมันก็ดับไปตามกัน ลวิปัสนาญาณต้องกําหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลอเรียกว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิทิความที่เห็นว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ระงับไปเรียกว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไป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 เป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเลื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแนละ้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางและจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี่พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นเนละ ทีนี้เมื่อมันรวมอยู่นั่นนะเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดท่านจึงเรียกว่าไตรลักษณญาณ น, นั่นแหละความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันไปรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมาปรากฏในมโนทวาร น, นา้โกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะเดียวนั้นเลยไม่ยืดยานแล้ววันนี้นะอะ่เพราะฉะนั้นเมื่อ เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญให้เป็นไปในจิตของตนดังแสดงมา